ช่วงนี้ก็เป็นกทินกาลคือระยะเวลาตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน12บเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนที่พระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐของพวกเราได้ทรง กำหนดให้เป็นเวลาถวายผ้ากรถินผ้าก็ผ้ากรถินก็คือผ้าที่เอามาใช้ตักยดตัดเย็บเป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่งในสามผืนพระนี้ท่านจะไม่ผ้าใช้อยู่สามผืนเรียกว่าผ้าไตรจีวรมีผ้านุ่งหนึ่งผืนเราเรียกภาษาไทยว่าจีวรสบง มีผ้าห่ม1นึ่ผืนเรียกว่าจีวรและผ้าห่มกันหนาวหนาสองชั้นอีกหผืนเรียกว่าผ้าสังคาติอันนี้เป็นหนึ่งสำรับเป็น1นตายจีวรที่ผ้าพิกซุมีไว้ครอบครองเป็นสมบัติของตนแต่หลังจากที่ใช้ไปอยู่เรื่อยๆ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 มีเอ่อมีเงื่อนไขหลายประการด้วยกันในการที่จะรับผ้ากฐินนี้ได้คือหนึ่งภ้าภิกษุนี่จะต้องอยู่จำมันษาอยู่กับที่ตลอดเวลาสามเดือนถึงจะมีสิทธิ์ที่จะรับผ้ากฐินได้ผ้ากฐินนี้ก็ต้องถวายภายในระยะเวลาเดือนเดียว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 รูปที่ได้ที่สงได้มีมีการเสนอชื่อมาก็จะมีการสวดตั้งยติอยู่สามจบถ้าไม่มีผู้ใดคาดคานถ้าสงนิ่งก็ถือว่ามตินี้ผ่านพอเสร็จแล้วก็จะนำผ้านี้ไปตัดเย็บทันทีเพื่อให้เสร็จ ภายในวันนั้นพอตัดเย็บเสร็จแล้วก็นำเอาเข้ามาในที่ชุมนุมสงอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผ่านี้กล่าวคำอนุโมทนาแล้วสงผู้ที่ได้รับการอนุโมทนาก็กล่าวอนุโมทนาตอบกับการรับผ้ากถินก า, การการกถินก็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 ควรที่จะได้รับผ้าเผืนอนี้โดยธรรมเนียมก็จะให้ถวายแก่พระผู้ที่เป็นประธานสงฆ์เพราะมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดเป็นผู้นำของสงฆ์นี่คือเรื่องของพิธีการถวายผ้ากถินที่มีการ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 ละความอยากในสิ่งนั้นๆเมื่อไม่มีอุปทานไม่มีความอยากให้สิ่งนั้นอยู่กับตนไปตลอดทุกที่เกิดจากการดับของสิ่งนั้นๆก็จะไม่ไม่เกิดขึ้นภายในใจของผู้ที่ได้ปล่อยวางอันนี้คืออานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของการให้ธรรมทานให้ธรรมะแก่ผู้อื่น สำหรับผู้ที่ยังไม่มีธรรมะแต่อยากจะทำ ท, ำทำธรรมทาน <c oughs> ก็สามารถทำได้ด้วยการนำหนังสือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพาาระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ได้แสดงได้สอนไว้มาเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆเช่นผ่านหนังสือผ่านแผ่นซีดี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 เขาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นถ้าขาดกุติที่อยู่อาศัยขาดที่ปฏิบัติธรรมก็ถ้ามีความสามารถที่จะถวายสถานที่เช่นซื้อที่ที่สงบสงัดวิเวกแล้วก็สร้างกุติที่อยู่อาศัยสร้างศาลา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 จีวรก็อย่างที่ได้พูดไว้จะถวายในช่วงเทศกาลทอดกระถินก็ได้หรือจะถวายเป็นผ้าไม่ใช่เป็นผ้ากรถิ่นก็เช่นเรียกว่าผ้าป่าหรือถวายเป็นทานธรรมดาก็สามารถที่ถวายได้ดัง น, นั้นอย่าไปติดกับคาที่บอกว่าการถวาย ผ้ากรถินนี้ได้บุญมาก ว, าว่าการถวายผ้ากรถินก็คือการถวายผ้าไตรจีวร น, นี้เองพื้นใดพื้นหนึ่งซึ่งเราสามารถถวายได้ทั้งปีแล้วเดี๋ยวนี้ใครมีปัญญาซื้อผ้าจีวรก็ถวายได้ที่มักจะคิดว่าเป็นบุญมากก็อยู่ตรงที่ได้มีการ ร่วมถวายปัจจัยเงินทองที่จะนำมาใช้ในการบุรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณทาวรวัตถุภายในวัดไม่ให้ชำนุดทุดโทรมแต่ทาวรวัตถุเหล่านี้ไม่ได้เป็น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 เหมือนกับมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตออกมาได้บ้างได้น้อยถ้ามหาวิทยาลัยมีเครื่องไม้เครื่องมือมีทาวลและวัตถุต่างๆทันสมัยแต่ไม่มีนิสิตนักศึกษาจบการศึกษารับปริญญาสถาบันนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรดังนั้น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 ผู้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากก็อยู่ที่พวกเหล่านี้เองอยู่ที่พวกเราที่มาร่วมกันทำบุญถวายผ้ากะถินหรือถวายทานต่างๆบุคคลที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานก็คือพวกเหล่านี้เองทีนี้อยู่ที่ว่าพวกเหล่านี้จะยอมก้าวขึ้นสู่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 ที่จะผ่านการเดินขั้นต่างๆไปได้อย่างง่ายดายแลรวดเร็วเพียงระยะเพียง6ปีเท่านั้นเองก็สามารถตัดสรุปพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ตัดสรุปเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษ แต่สําหรับบุคคลทั่วๆไปนี้ก็มักจะต้องไต่เต้าจากทานขึ้นสู่ศีลจากศีลขึ้นสู่การภาวนาจากการภาวนาแบบเป็นผู้ครองเรือนแล้วก็ก้าวเข้าสู่การภาวนาแบบนักบวชตามลําดับไปประวัติครูบาจารย์เราก็คงได้ยินได้ฟังกันเรื้องต้นท่านก็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 พอสัมมนเนรรับมาเป็นลูกศิษย์แล้วหลังจากที่ได้ทดสอบศรัทธาแล้ทดสอบอินทรีย์ได้ทดสอบอิทธิบาทสีว่ามีหรือไม่พอเห็นว่ า, าพระโพธิรัตน์มีศรัทธาแล้วมีอิทธิบาทสี่แล้วมีอินทรีย์ห้าแล้วก็สอนธรรมะให้แก่พระโพธิรัตน์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 มีจิตตะมีใจที่จดจอ่อต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติมีวิมังสาคือใจที่่ขยควรคิดอยู่กับเรื่องศึกษาเรื่องการปฏิบัติธรรมเท่านั้นจะไม่คิดถึงเรื่องการไปทำทานที่นั่นที่นี่คาถินวัดนั้นวัดนี้ผ้าป่าวัดนั้นวัดนี้หรืองานสังคมต่างๆหรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ผู้ที่มีอิทธิบาตสี่มุ่งมั่นต่อมรรคผลนิ่พานแล้วจะไม่คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้จะคิดอยู่กับเรื่องการหาที่สงบสงัดวิเวกจะคิดอยู่ถึงเรื่องการเจริญสติจะคิดถึงเรื่องการนั่งสมาธิจะคิดถึงเรื่องการเดินจงกรมจะคิดถึงเรื่องการพิจารณาอนิจจ์ทุกขังอนัตตาจะคิดถึงเรื่องอริยสัจสี่ ทุกสมุทัยนิโรธมักจะคิดถึงเรื่องขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาว่าเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตานี่คือวิมังสาของผู้ที่ใรรมถ้าผู้ใดมีอิทธิบาทสีมีความยินดีที่จะศึกษาปฏิบัติธรรม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 ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการเจริญสติตลอดเวลานอกจากเวลาหลับเท่านั้นหรือพอตื่นขึ้นมาถ้าเราใช้พุโทโธเป็นการเจริญสติก็ขอให้เราบริกรรมพุโทโธไปภายในใจอย่างต่อเนื่องไม่ว่าเรากำลังจะทำกาลังทากิจกรรมอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็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 ถ้าถึงเวลานั้นก็ให้สติจดจ่ออยู่กับการกระทําของเราก็ได้ถ้าบริกรรมพุโทโธไม่ได้เช่นถ้าจะต้องทํากิจกรรมก็ให้ใจจดจ่ออยู่กับกิจกรรมเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องต่างๆพอเราอยู่คนเดียวแล้วใจจะลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ใช้การบริกรรมพุโทโธหยุดเอาไว้เด่นเอาไว้พยายามทําไปใหม่ๆก็จะเป็นการล้มลุกคุกการไปก่อน ทำได้สองสามคำก็หายไปแล้ว <c oughs> พุโทโธได้สองสามคำไม่ถึงนาทีหนึ่งก็หายไปแล้วแล้วมันนึกถึงได้ก็อีกสี่หชั่วโมงเอ๊ะพุโทโธเราหายไปไหนเราไม่ได้อยู่กับพุโทโธเลยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยขอให้เรากลับมาหาพุโทโธได้สักครั้งสองครั้งหรือสักสองสามครั้งในวันหนึ่งก็ยังถือว่าเรามีความพยายามมีความตั้งใจอย่าไปแบบว่าไม่เคยคิดถึงพุโทโธเลยไม่เคยคิด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 แล้วต่อไปก็จะสามารถดึงใจผูกใจไว้ให้อยู่กับที่ได้ให้อยู่ในปัจจุบันได้ให้สักแต่ว่รู้ได้ไม่ลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้และเวลานั้นเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้อย่างง่ายได้ดงั้นขอให้เราหมั่นเจริญสติกันให้มากๆสตินี้พระเจ้าทรงรงตรัสไว้เลยว่าเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญที่สุด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 แต่ถ้าไม่มีสติ qui, ก็เกิดสมาธิไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิก็เกิดปญัญญาขึ้นมาไม่ได้ plugin, Kitchen, ถ้าไม่มีป Thursday, ัญญาก็ไม่สามารถดูดพ้นได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนก่อนที่จะมีสมาธิก่อนก็ต้องมีสติก่อนเหมือนกับการเรียนหนังสือก่อนที่จะอ่านออกเขียนได้ก็ต้องท่องกอไก่กอไข่ไปก่อน อย่าขี้เกียจอย่าอย่าข้ามขั้นถ้าข้ามขั้นแล้วก็จะไม่สำเร็จจะไม่ได้ผล <c oughs> นี่คือหลักของการเจริญจิตตภาวนาการต้นต้องเจริญสติเพื่อให้ได้สมถภาวนาเพราะสมถได้สมถภาวนาแล้วก็จะออกสู่การเจริญวิปัสสนาภาวนาได้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 แต่ถ้าเราจะทําอยู่ภายในใจนี้ทําได้ตลอดเวลาจําเป็นจะต้องทําด้วยไม่ใช่ว่า <c oughs> ทําหรือไม่ทําการทําการเจริญสติทุกเวลานาทีนี้เป็นบุญดังนั้นไม่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ปัญหาข้อต่อไปนะครับ <c oughs> เป็นปัญหาที่เตรียมานะครับ <c oughs> การกระทําการประพฤติป ฏ, ปฏปิบัติบําเพ็ญตนการใช้ชีวิตในชาติปัจจุบันคือการกาหนดทิศทาง การเกิดของพบหน้าโดยตรงใช่หรือไม่หรือมีปัจจัยอื่นอื่นอีกก็อย่างพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่ากรรมนี่แหละเป็นผู้กำหนดอนาคตของพวกเรากรรมเป็นผู้จำแนกแยกสั์ให้เป็นไปต่างๆนานากรรมนี่แหละที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเป็นอะไรก็อยู่ที่กรรมนี้เท่านั้นเอง คือการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจถ้ากรรมกรรมดีคือบุญกุศลก็จะพาไปสู่สุขคติพาไปสู่มรรคผลนิพพานถ้ากรรมชั่วก็จะพาไปสู่อบายไปสู่การเกิดเป็นเดชราชาน เ, นเป็นเปรตไปสู่นรกทั้งหมดนี้อยู่ที่กรรมนี้เท่านั้นกรรมแปลว่าการกระทําที่เราใช้คําว่ากรรมนี้บางทีเราใช้ คำว่ากรรมแทนคำว่าบาปเช่นบุญกรรมตามจริงแล้วเราหมายถึงบุญบาปแต่คำว่ากรรมจริงๆนี้เป็นคำกลางๆางไม่ใช่เป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าเป็นกรรมดีก็เป็นบุญถ้าเป็นกรรมชั่วก็เป็นบาปดังนั้นทั้งหมดนี้อยู่ที่คำว่ากรรมอย่างที่บทที่เราได้สวนกันอยู่เป็นประจำว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิด เราเป็นมีกรรมเป็นผู้ให้เผ่าพันุ์เป็นเผ่าพันุเรามีกรรมเป็นที่พึ่งของเราจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนี่แหละคือนี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ตัวนี้ตัวเดียวอยู่ที่กรรมวิคิทไม่ได้อยู่ที่ เ, เทวลิคิทไม่ได้อยู่ที่พภมลิคิต อยู่ที่การกระทำของเราเราอยากเป็นพระอาหารหันต์ก็เป็นได้เราอยากจะเป็น เ, เดรัจฉานเราก็เป็นได้อยากจะเป็นเดรัฉานก็อยากไปรักษาศีลห้าแต่อยากจะเป็นพระอาหารหันต์ก็ออกบวชจะเริยนสมถะวิปัสสนาภาวนาไปก็จะเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นได้ในอนาคตอนาคตนี้จะใกล้หรือจะไกลก็อยู่ที่ความพร้อมของ <c oughs> ปัจจัยที่จะทาให้เกิดผลขึ้นมา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 วิบากก็จะไม่ยังไม่เกิดคนเขาเราโกรธคนนี้เราอยากจะด่าเขาแต่เราก็หุบ ป, ปากไว้<ม>เขาก็ไม่ได้ยินเสียงด่าเราเขาก็ไม่ด่ากลับ<ม>ถ้าเราไม่ไปทุบตีเขาเขาก็ไม่ทุบตีเรา<ม>ดังนั้นกรรมที่เกิดจากภายในใจหรือผลที่เกิดจากความคิดนี้ก็คือความรู้สึกภายในใจสุขหรือทุกข์ครับต่อไปเป็น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 คำคำถามประจำสัปดาห์นี้หมดแล้วครับแต่ว่ามีามีผู้มาเขียนไว้ใน a ฟ e b o o k ที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งครับจากคุณแก้วฮอฟฟี่นะครับได้เขียนไว้ว่าสาธุสาธุสาธุครอบครัวเราชอบฟังธรรมหลวงพ่อจนเลิกเล่นการพนันได้จะสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อนานกว่าสามเดือนแล้วก็ขอให้เลิกไปตลอดนะ น่าขโมนนานบางทีการอาจจะอาจจะเป็นมาติมต้นก็ได้ <c oughs> พอเวลาผ่านไปผ่านไปเดี๋ยวแผ่วลงแผ่วลง <c oughs> เดี๋ยวก็ย้อนกลับไปเล่นการพนันใหม่ <c oughs> ถ้าละอะไรได้ลวพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องเพียรพยายามไม่ให้หวนกลับคืนขึ้นมาอีกส่วนสิ่งใดที่เรายังละไม่ได้ก็ให้เพียรพยายามละให้ได้ส่วนความดีที่เรา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 ควรพยายามเพียนกันอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะหลุดพ้นจากห่วงของบาปกรรมทั้งหลายแล้วเราก็จะไม่ต้องเพียนอีกต่อไปเหมือนกับการเดินขึ้นบันไดพยายามเดินขึ้นไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าหย่อนขึ้นไปถึงชั้นที่เราต้องการจะไปพอเราถึงชั้นนั้นแล้วเราก็สบายไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปนั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องเพียนแล้ว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 จะไม่ต้องทำภารกิจเหล่านี้อีกต่อไปเน้นก็ขอให้เรามีความแน่วแน่มั่นคงต่อการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนแล้วเราจะได้สิ่งที่เลิศสิ่งที่วิเศษที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะวิเศษเท่าเกรว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติดไว้เพียงเท่านี้ ขอให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกการทุกคนเทนร์อาจารย์ครับยังมีคำถามตกท้ายคำถามเลยครับเมื่อวานพระอาจารย์อธิบายเรื่องพระนิพพานไว้นะครับอารมณ์ของพระนนิพพานเนี่ยคือนิ่งสงบว่างแต่มีสติปัญญากำกับอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนอารมณ์ว่างอย่างเดียวของในชั้นผมใช่ไหมครับ คือความจริงพระนิพพานนี่ไม่มีแม้แต่ไม่ต้องมีสติมีปัญญามาคอยคุมแล้วเพราะว่าเป็นเป็นจิตที่ไม่มีไม่มีพิษไม่มีภัยเหมือนกับเราอยู่เนี่ที่ปลอดภัยเราไม่ต้องมียามีอารักขามาคุมของการที่มีสติมีปัญญานี้แสดงว่าเรายังอยู่ในขั้นของการปฏิบัติอยู่แต่ถ้าจิตพอไปถึงขั้นหลุดพ้นถึงขั้นนิพพานแล้ว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 ฉันก็ไม่อยากจะเสียเวลาภาวนาไปเถิดแลจะเห็นลืมตาขึ้นมาแล้วจะเห็นสีแดงสีเขียวเองเอาล้ะนะรับให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ